ท่านฟังข่าวสาหรับพุทธประวัติจากพระโอษฐ์วันนี้จะเป็นเรื่องพรหมจรรย์นี้มิใช่มีลาบเป็นอานิสงส์เป็นการตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่ภูเขาคิดจกูดใกล้เมืองราชครืปรารบพระเทวทัตว่าภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้มิใช่มีลาบสการะและเสียงสรรเสริญเป็นอานิสงส์พรหมจรรย์นี้มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอานิสงส์พรหมจรรย์นี้มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอานิสงส์พรหมจรรย์นี้ ไม่ใช่มีความถึงพร้อมแห่งย า, าณทัศนะเป็นอานิสงส์ภิกษุทั้งหลายก็เจโตวิมุตต์อันไม่กําเริบอันใดมีอยู่พรหมจรรย์นี้มีเจโตวิมุตตินั่นแหละเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายเจโตวิมุตต์นั่นแหละเป็นแก่นสารเป็นผลสุดท้ายของพรหมจรรย์ค่ะวันนี้เราก็จะส่งท้ายกัน ด้วยการที่ยืนยันว่ายัางมีหนังสือพุทธวัตรรมวินัยจากพุทธโอดฉบับก้าย่างอย่างพุทธะแจกให้กับทุกท่านที่สนใจที่หมายเลข022690006และ0226900060เช่นเคยพักเสาร์อาทิตย์และกลับมาพบกันใหม่ ในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับรายการสันนิสนทนาโดยดิฉันสันนีษานาพง์ที่สถานีวิทยุ FM106 รวิทยุครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอีก154สถานีนี้วันนี้สวัสดีค่ะ